กลุมแปลนมากี่คนวันนี้ไปปลูกต้นไม้กันได้เท่ากับยุของตัวเองไหมจำนวนต้นป๋อยายุเท่าไหร่ไอ้กุญปื้นอายุเท่าไหร่ปหร55ปลูกได้56าสิบหต้นไหมประมาณ น, นั้นนะนะถ้าปลูกโปร์เกอร์แล้ว ก, กั น, กนดี ทางนี้ก็ปฏิบัติตามกันเต็มที่วันนี้แพบยลเดินยยงกรมกันสนกสนานไปเลยหลายๆอย่างวัดป่าสุโตคนเข้าเข้าออกออกถือเป็นวัดว่ามันทำประโยชน์แล้วก็มีหน้าตาทีเดียว หลายคนก็รู้จักทางสื่อบางทีก็เพิ่งมาเห็นนะเราเป็นครั้งแรกก็มีจากอินเทอร์เน็ตก็มีของทีบางทีชื่อเท่าช้างเลยนะวัดป่าสุตโตตทเ่าเตียนเห็นดูว่าเหมือนมดตัวนึงไงเล็กๆอยู่กันแบบ บางทีมาก็ว้าเวเบยเหมือนกันบางคนเนะวาดฝันไว้ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโ น, น้นนะบางคนมาเย็นๆแบบเนี้ยขอแจะเข้ากุดบางทีก็กําลังทํางานอยู่อีกนิดมันก็จะเสร็จแล้วยุงมันก็กวนเอาแต่ก้อนเนี้ยยุงเป็นฝูงเลยเด็ดนะยุงตัวใหญ่ยุง คนป่องก็ ว, วิดไว้กระตูหูเลยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวอ ย, อยู่ไม่ได้แล้วไปดีกว่าขับรถชิ้วเอาเลยก็ด่านยุงก็ไปผ่านแล้วเนาะภายนอกเราที่มาแล้วก็ได้มีโอกาสมานั่งทำบ้านกาันถเอาละมีโอกาสทำบุญกันทำดีกันแล้วก็ต่อยอดเป็นความฉลาดกันต่อ ดีกว่าในพระเรื่องของความรู้สึกตัวพวกมาหาเรื่องที่เป็นเป้าหมายของการศึกษาที่สูงสุดด้วยเป้าหมายการศึกษาสูงที่สุดก็คือให้มารู้จักตัวเองกันดีกว่าตัวชีวิตเพราะทุกชีวิตปรารถนาสุขรักสุขเกียรติทุกที่นี่ว่าความสุข ที่แท้จริงเป็นความสุขที่ยั่งยืนมันคืออะไรทำดีก็เป็นสุขลหละแต่บางทีบางประสบการณ์ของเราก็เคยทำดีแล้วก็ทุกข์ใจทำดีได้ดีมันไม่ได้ดีมันก็ทุกข์ใจทำชั่วได้ดีมีที่ไหน มันก็ไปอย่างวิธีคิดของคนทําดีได้ดีมีถมไปมันก็ไม่ได้คิดกันแบบนี้ทําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีถมไปจริงๆมันกําไหนใช้คำนั้นดีก็คือดีละมันก็ใช้ก ร, รมดีไปทําดีต้องดีเราก็รู้ก่อนแล้วว่าเราดี คนอื่นไม่ชมไม่เป็นไรเรามีปัญญาพอทาชั่วได้ดีมีถมไปอันนั้นเราไปมองถึงทรัพย์สิงสินคา้าไปมองถึงว่าเขาได้วัตถุสิ่งของเข ก, กล้าที่จะทําไม่ดีแล้วก็ได้เข้ามาเป็นของตนเราคิดอย่างนั้น แล้วก็ท้ายสก็คือพฤติกรรมเรียนแบบเกิดการเรียนแบบมากมายว่าเขาอีนอเป็นเองว่าจะมีคำประเพเนีเกิดขึ้นไหมที่เพื่ออย่างนี้นั่นหมายถึงว่าให้เราอยู่เหนือดีอยู่เหนือไม่ดีกันดีกว่าเป็นยังไงที่เราเหนือดีเหนือไม่ดีก็คือทาให้เป็นธรรมชาติ ธรรมชาติอยู่กับโจรทำตัวเป็นโจรอยู่กับแพ้ทำตัวเป็นพระอยู่กับพานก็ทำตัวแบดพานน่นะเพราะว่าทำตัวเป็นพระในหมู่คนพานบัณฑิตในหมู่คนพานตายลูกเดียวบางทีคนพานมานขามบัณฑิตที่บัณฑิตมาในขามคนพานแล้วยังไง ก็นี <weet Smash and cookies> ้เราก็รู้เเป็นอย่างนั้นเนาะเป็นอย่างนั้นเนาะเวลานี้ก็เป็นอย่างนั้นเวลานี้เป็นอย่างนั้นเวลานี้เราก็เป็นอย่างนั้นเวลานี้เราก็เป็นอย่างนั้นพอเราฝึกจิตรู้สึกตัวรู้สึกตัวมันก็เห็นเล้วัเนเห็นความรู้สึกนั่นแหละความเป็นปกตินั่นแหละท้ายสุดก็คือถ้าจะทำดีไม่ยากหรอกทำดีถึงดีทำดีให้ถูกคนทำดีให้ถูกกาลเทศา อนนี้ก็ต้องประกอบด้วยปัญญาอย่างให้ทานก็ต้องให้แบบมีวิจัยานอย่างนั้นมีวิจัยยาณให้อย่างไงอย่างให้ทานพเพลานี่คนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ก็ไม่ได้ซื้อเหมือนซื้อโลงนั่นแหละโล่งนี่คนซื้อก็ไม่ได้ใช้คนใช้ก็ไม่ต้องซื้อเหมือนกันทีนี้สังฆทานก็เป็นอย่างนั้น คนซื้อก็มาได้ใช้คนใช้ก็มาได้ซื้อมีวิจยยารย์อะไรที่ให้เราเป็นประโยชน์ให้เป็นประจําให้ลรผ่องใสสบายอกสบายใจให้เราอยากให้ก็ให้ถ้าให้บุคคลเรียกอายัดสมถทาไให้เป็นคณะเรียกคณะสงฆ์สังฆทานก็แจกตามลําลดับต่างๆพันเตยันหัวแถวยันหางแถวนะเดี๋ยวหัวแถวจะจ่ายต่อกันเอง แต่ถ้าศรัทธาพาลุปมนี้หน้าตาใสปิ้งสมบูรณดีอ่ะเกิดศรัทธาบุคคลนั้นเรียกว่าปุคลิกทา น, น, นก็ได้บุญอยู่ได้มากกว่าศัตราราสิ่งต่างๆแต่ว่าต้องให้ทั้งหมดนั่นแะแบบไม่ประมาณทำแล้วไม่เสียดายถ้าทำไปแล้วเราเสียดายก็หมายถึงว่าเกิดมาสบายแล้ว แต่ท้ายสุดลาบากแน่จิตมันเสียดายเหมือนกับเราให้ของคนรักตอนรักกันกระปานจะคืนกินก็มีทลายให้หมดพอเริ่มทะเลาะ ก, กันนั้นเริ่มที่จะหาทางแยกจากกันก็เสียดายและอยากได้คืนก็ทะเลาะกันมากมายแบ่งสมบัติประเทศแคนาเนี่ถึงขั้นแบ่งกันบ้านครึ่งเอาเลยตัดกลางเลยนะชี้ๆๆ ๆ, ๆแบ่งกันไปคนละซีีกเลย กระเม่นนะเป็นข่าวถ้าต้องร้องขอให้ให้นะ <c oughs> คิดไม่เองไม่เป็นร้องขอแมาแม่ทำบุญเนี่ยตอนนี้มันขาดนั่นขาดนี่ขาดนู่น <c oughs> ก็กลายเป็นเรื่องของว่าเกิดมาลำบากเกิดมาต้องร้องขอกันก็มีความลำบาก แต่หลังจากให้แล้วก็สบายได้รับอันนี้ส่จริงหรือเปล่าไม่รู้ลองพิสูจน์กันเองแล้วกันนะเป็นอย่างนั้นหรือไม่มอันนี้ก็ลองพูดถึงว่าทําดีมันก็ต้องถึงดีแล้วทาดีก็ต้องถูกกาลเทศะแลให้ในสิ่งที่สมควรให้ในคนที่บุ็คนที่สมควรให้ไม่ให้ในสิ่งที่ยังไม่สมควรให้มันเป็นอย่างนั้น พรถ้าให้รับพึ่งตัวเองไม่ได้ให้ไปแล้วก็อ่อนแอให้แล้วลําบากให้แล้วไม่มีปัญญ า, าก็กลายว่าเราส่งเสริมก็เป็นบาปไม่ได้บุญหรอกทําให้คนก็อ่อนแอต้นไม้นี่ไปค้ามากๆไม่ได้นะกิ่งตายอยู่นะต้นไม้เนะี่ยอันนี้ไม่ได้พูดเองนะเห็นมากระตาเลยต้นนี้โคต่วัดภูเขาทองนะ่ะกิ่งมันหลายกิ่งมาก แล้วต้นมันสามสี่สิบปีนะใหญ่สามสี่คนโอใหญ่สามคนโอบมาได้อยู่ปรากฏว่าวันหนึ่งกิ่งก็กเลื้อยมันข้างบนมันหลายต้นเนี่ยมันมีแดดส่องลงมาอีกกิ่งก็เลื้อยหลบไปมันก็เลยห้อ ย, ยทำท่ามันจะหักจะโคน่นหลวงพ่อสั่งใครไปข้า ม, มันหรือว่าใครไปค้าเองอยู่ ปรากกิ่งนั้นนะเล็กลงเล็กลงท้ายสุดต้องตัดทิ้ง เ, เดี๋ยวนี้ยังมีรอยอยู่เลยแต่กิ่งไหนไม่ค้ำนะมันห้อยมาเดี๋ยวมันก็ขึ้นไปกิ่งเบลอเลยขนกิ่งมานะมันก็สร้างกล้ามเนื้ อ, อมันขึ้นมาขยายออกขยายออ ก, ยยออกจนกระทั่งมันสามารถที่จะเรียก ว, ว่าแข่งยอดแตกยอดไปทันเพื่อนๆได้แข็งแรงไวเลย ก็บอกถึงว่าเออก็ต้องให้ในะคนที่สูควรให้อะนะยังไม่ให้ที่คนที่ยังสมควรไม่ใหนะ้เรียกว่ายุติธรรมอ่ะนะยุติธรรมยุติด้วยธรรมเาะฉั้นทำดีก็ต้องฉลาดนะทําดีทําบุญทําทานนะ <Yeah. S 1> ที่สำคัญที่สุดก็คือนะการที่เรามาทํากิจกรรมที่เรียกว่ากรรมฐาน <Yeah. S 1> เป็นการงานของจิตของใจเรา ข้างนอกหาสตางค์ก็มีสถาปัตยกรรมวิศวกรรมเกษตรกรรมอุตสาหกรรมกัดจิกรรมนวัตกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นมาในโลกเพื่อความสะดวกเอากันไปแลกเปลี่ยนะหาเงินหาทองให้พอกันแล้วกันหรือว่าเรียนเราเรียนรู้นะครับเพื่อไปทํางานแล้วเราก็ได้สตางค์มาที่เรียนกันมาทั้งหมดเนี่ย เท็มคันที่สุดก็คือเรื่องของอริยทรัพย์ภายในสติมันเป็นอริยทรัพย์ภายในมีไว้ใช้ถ้าจนใจเมื่อถึงขั้นหลงไปในความคิดฆ่าตัวตายขาดคุณธรรมต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นกรรมฐานหรือฐานของกรรมเป็นวิชาหนึ่งที่น่าสนใจ เป็นวิชาของโลกุตลธรรมส่วนหาสตางนั้นใช้ในโลกของโลกียธรรมแยกแบบนี้เลยชัดๆเพราอน้นคนที่มีสตางแล้วก็ไม่มีความสุขกขบอกถึงขาดกรรมฐานคนมีวัตถุหนึ่งแล้วมีความสุขแสดงขาดกรรมฐานจิตใจมันไม่มีความสุขเพราะวัตถุมันเป็นเพียงแค่กระตุ้นให้สารเอนโดฟินมันหลังห่งเฉยๆห สุขสมอยากดยการที่เราฝึกเจริญสติจนทังจิตมันปกติอันนี้เป็นลระนาของนิลามิ ส, สุขคือสุขที่ไม่ต้องอิงอามิตหนึ่งสองสามปตูหนึ่งสองสามบุคคลหนึ่งสองสมมัน 1, 2, 3, มน่าสนใจนะตัวนี้มันเป็นสิทธิสิทธิของเราที่เรา จะน้อมเข้ามาใส่ตนในว่าที่เมื่อกี้เราสวยกันนัโมอตัสสากเพะ ว, ตวะ่ตัวอะไตสัมมาสัมพุทธสากอย่างเงี้ยขอนอบน้อมเข้ามาใส่ตนประพุติประธรรมประสงค์เลือกความดีความงานต่างๆตอนนี้ชีวิตของเราร่างกายของเราก็น้อมเอาท่าสี่เข้ามาน้อมเอาพ่อเอาแม่เขามาจากใครใบเล็กๆ จากสเปอร์มอาซจิหนึ่งในจํนานวนนับล้านล้านตัวประมาณสองล้านถึง5ล้านตัวแล้วเสร็จแล้วก็มาเป็นเราทักอยงก็น้อมเข้ามาพ่อแม่ของเรานาคือพ่อโมคือแม่มะเนี่ยมะใหม่ณคือแม่โมคือพ่อหรือว่าณคือน้ําโมคือดินอดกับแข็งอนกับแขง็แขงคู่กัน นะคือหินอย่างเงี้ยนะโมคื อ, อยางน้อมกามาน้อมก็มาเสร็จ น, น, น้อมเอาอะไรอีกก็ธรรมชาติต่างๆรูปรถกลิ่นเสียงความดีความงามสุขสวยเลยดีต่างๆน้อมกามาคุณธรรมต่างๆสติสินสมาธิปัญญาน้อม้ามา มันมีสันชาติยานมันทยานออกไปตาหูจมล่นกายใจไปตามกิเลสกิเลสเป็นเหตุแห่งทุกข์เหตุแล้วก็อยากเห็นแล้วก็ชอบเหตแล้วก็พอใจก็เลยโลภอยากได้เป็นเจ้าของเกิดราคะา่ให้ราคาตีราคาถ้าไหลก็ซื้อถ้าไหลก็ยอมเนตยอมเลยแต่ตอนนี้เรากลับมากลับมาสติปัฏฐาน มันไม่ใช่สติสัจจะทายาทกลับมากลับมาดูกายดูใจของเรารูกทำนามทำ<น>เห็นแล้วกายปกติทําดีเป็นยังไง<น>จิตใจลราเป็นปกติไปทําดีเป็นยังไง<น>มากมายเรืองเกีนความดีในโลกใบนี้ที่เราทําตองเ ต, ตื่นยันหลับทําอะไรก็เป็นความดีความงามได้หมดนั่นแหละมันก็ไม่เกี่ยว<น>ใครให้เราทําหรือว่า ไม่มีใครให้เราทำมันเกี่ยวมีหน้าที่ตื่นยันหลับใหญ่น่าจะต้องเกี่ยวข้องกับตัวเองอย่างเมื่อสักครู่เราก็ได้อาบน้ำกันให้เกี่ยวข้องกับตัวเองทำดีกับตัวเองใส่เสื้อผ้ า, าไปซักกินข้าวกับแปลงฟันทำบุญให้ตัวเองก่อนรียประโยชน์ตนไม่ได้เอาเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวเนี่ยดูไม่ได้ยากอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกคนเห็นแก่ตัว ก็มีบัญญามากเปรียบคนมีปัญญาหน่อยแต่ท้ายสุดพอได้มาก็อยู่เองไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ได้เ็าเรียกว่าเห็นแก่ตัวต้องพึ่งวัตถุหนึาโทรศัพท์มือถือต่างๆหาอะไรทำบ้างไม่ได้นั่งเฉยๆไม่ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องของคนที่ทำประโยชน์ตนมันอยู่เฉยๆได้ไม่ทุกข์เลยอยู่เฉยๆอยู่กับกายกับใจที่มันนั่งอยู่เฉยๆนะ่ะนั่งได้ มีความรู้สึกตัวตื่นดีอยู่เฉยๆก็ตื่นเดินไปทางานทาการก็ตื่นจิตไม่บวกไม่ลบบวกอลบก็ไม่นานสุขๆุทุกๆกก็ไม่นานาน่าสนใจทีเดียว <c oughs> เห็นการแก่เห็นการเจ็บเห็นการตายเห็นชัดเลยร่างกายของเราเนี่ยดูไปดูมงังเกิดดับตลอดลเว็นลวบาเลยมันไม่ใช่คาพูดนะแต่เป็นอาการที่เราได้สัมผัสโอ้มันใช่เลย เมื่อก so yeah. <here> well, we like ่อนเคยยึดเคยถือมากมายเกิดที่ติมานาอ่างการระวังการอัปตาตัวตนความหยิ่งความพยองลําพองตะลนงต่างๆยะโสโอหังตอหลังเลยธรรมดาธรรมๆไปไหนก็ได้กลายเป็นเรื่องสูงสุดสู่สามันได้ธรรมดาธรรมาธรรมชาติไปที่ไหนเลยเหมือนกัมีพี่มีน้องเต็มไปหมดเมตกรุณาจักมกคุ้ณ ไม่มีอาการหวาดระแวงไว้อกไว้ใจกันในเหม่ยพุทธการมีคนหวาดระแวงกันระหว่างเมียหลวงกับเมียน้อยหวาดระแวงกันจังเลยเมียของพระเจ้าอุเทนนางสามาวดีพระเจ้าอุเทนเป็นกษัตริย์ของอินเดียอยู่รัฐหนึ่งปกครองครั้นี้นางมาคันธิยา หลังจากที่แสดงฤทธิ์ไล่ด่าพระเจ้าเจ็ดบ้านเจ็ดเมืองเจ็ดตำบลไอ้แกไอ้มาไอ้กาไอ้ไก่ไอ้ควายไอ้วัวดา่าจ้างด่าาว่าพราหมณ์พูดเป็นพ่อบอกว่าเรายกลูกสาวให้ท่านนะอ ส, สมเด็จสมาเจ้าบอกว่าแม้แต่เราจะเเท้าไปแตะเราก็ไม่เอาหรอกเท้าของเราเนี่ยไปโดนเนี่ยเราก็ไม่เอาหรอก ทอานั้นเองกรธเป็นปืนเป็นไฟเลยว่าอย่างนี้ขี้โกรธนะขี้โกรธคำพูดนี้นี่หน่อยฟุนฟัดฟุดฟัดแถมไม่พอจ้างคนด่าพระเจ้าไปทางไหนซัดมันไอหมูไอหมาไอกาไอแกะไอควายด่า้าไปพระเจ้าเทนมาเจอนางมาคันธิยาขณะที่ออกตรวจบ้านตรวจเมือง ราชการนางมาคันิยาก็อยู่ชั้น2 อ, อินเดียนี่ก็จะมีบ้านแล้วก็ดาดฟ้ากนะ็จะสร้างไว้ให้ผู้หญิงเนี่ยมองผู้ชายตกเย็นผู้ชายจะขึ้นไปบนหลังคาแล้วก็มองผู้ชายชอบคนไหนก็จะบอกพ่อคนนี้แหละไปขอมาทีนึงอินเดียนี่ผู้หญิงขอผู้ชายนะไม่ใช่ผู้ชายขอผู้หญิงนะดีไหมดีไหมหน้าไว้ใจเมืองไทยเนาะ ผู้ชายนี่ผู้หญิงก็จะต้องจ่ายตังงานแต่งงานผู้หญิงก็จ่ายทั้งหมดนะแต่ท้ายสุดพอมาเป็นสามีสามีก็อย่างที่เราสอนะปฏบัติดีแล้วตรงแล้วสมควรแล้วออกจากทุกข์แล้วเขาเรียกว่าสามีพอได้เข้าไปอยู่บ้านกันนี้ใช้อย่างเดียวเลยผู้ชายเนี่ยถึงพรอมชโลดตวดปอด พ้อมดำทำงานตลอดไม่แต่พ่อค้าพ่อค้าไปอินเดียไปดูแม่ค้านี่น้อยมากถ้าใครเป็นแม่ค้าแตงผัวผัวตายแล้วต้องทำงานเองอยู่บ้านผัวเลี้ยงพุงพุยเลยผู้หญิงอินเดียใส่สาหีโชเสดูเหแต่งตัวสวยๆแ ส, สดงผัวเลี้ยงดีวดพุงกัน นางมากันนิยาก็โปรยดอกไม้ลงมาพระเจ้าเทนไปเจอก็โอ้ณจังงังเลยทั้งทั้งนี้มีนางสามาวดีอยู่แล้ว <i> เอาเข้าไปอยู่ด้วยกันลราเป็นเรื่องเลยกันนี้จับผิดจับถูกกันแหลกเลย <i> เพราะว่านางสามาดีนีดีเหลือเกินไปวัดไปวาแล้วก็เข้าเฝ้ า, าพระองค์ฟังเทศฟังธรรมตลอดลเวลาเลย เวลาไหนเวลาไหนถ้าว่างก็เข้าวัดฟังธรรมพระเจ้าเทนก็หลงรักนางมาคนิยามากอยู่มาวันนึงก็ยืนมองนางสามารดีนะพระเจ้าเทนว่างโงแ่แท้ๆหญิงคนนี้เนียเป็นถึงเมียกษัตริย์ชอบเข้าวัดเข้าวานิ้มกันปลาหัวโล้นเอาของมาให้กินดีๆนั้นเลยแทนที่จะดูสามี โอ้น า, น, านางเนตรนาจัยแล้วกันยิ้มเยอะปรากฏว่านางมาขันธิยายเห็นพระเจ้าททเทนอุเทนมองนางสามวมณีแล้วก็ยิ้มก็คิดผิดเข้าใจว่าพระเจ้าเทนหะลงรักนางสามวมณีมากกว่าตนมองไม่วางตาแถมยิ้มให้ด้วยเพลอขนาดนั้นแสดงว่ารักมากก็เลยวางแผนฆ่า วางแผนค่านางส า, อาวอดีวันหนึง่งพระเจ้าเทียนออกตรวจราชการก็เลยหลอกนางส า, อาวอดีเข้าไปในพักคลังเก็บเสื้อผ้าไว้แย่ๆมาแลผาา้ผ้ากาสีชั้นดีผ้าแพลชั้นดีเมื่อหลอกเข้าไปแล้วสั่งญาติพี่น้องซึ่งร่วมกันวางแผนค่า เอาน้ำมันลาดคัดประตูไม่ให้ออกให้อยู่ข้างในนั่นแหละเสร็จแล้วจุดไฟเผาก็ได้ยินไ้ยเรื่องแบบนี้เคยได้ยินไหมเคยไหมเคยก็บอกว่าเคยไม่เคยก็ใส่หัวหน่อยถ้าเคยแล้วจะไม่เล่าต่อแล้วจบแค่ น, นี้แหละเคยไหมเคยไหมเออจะได้เล่าต่อได้เด๋ย ฉายหนังซ้ําลําไม่หนุกนะเออคราวนี้ปรากฏว่านางสามาวดีเนี่ยฉวยโอกาสนั้นเองนะกําหนดรู้ไฟที่กํลาลังเผาเนื้อบอกบริวารทั้งหมดไม่ต้องไปโทษใครเขานะไม่ต้องไปโทษว่าเขาทํากับเราทําทําไมทําไมต้องมาฆ่าเราเกียดมันนักจะต้องจองล่างจองผานมันทุกชาติทุกชาติไม่ต้องพูดอย่างนั้นนะ ให้มากำหนดรู้ที่เวทนาทันทีไฟเผาร่างกายใจไม่ต้องทุกข์เนี่ยนะเสร็จแล้วปรากฏว่าตายเรียบเลยทั้งห้องเลยพระสาริบุตถาพระทตงว่าการตายกันเนี่ยใครได้ประโยชน์พระโต้งก็บอกว่านางสาวมเานียได้ประโยชน์เป็นอนาคามี รู้ทำเป็นอนาคามีเดิมเป็นโสดาบันแต่ว่าทําจิตดีเป็นอนาคามีเลยส่วนบริวารหลายคนเป็นพระโสดาบันพูดอย่างนี้ไม่ใช่คืนนี้ไปหาน้ํามันเผาตัวเองกันนะามาไปรับผิดชอนะ่อมันบอกกันนะเ <c oughs> <c oughs> ช้าตืา่นมาโหนุ่นคนนี่คนเป็นตอตะโกเลยพวกนี้เป็นข่าวหน้าหนึ่งไร้ฟังเฉยนะเฉยมีเรื่องราวแบบเนี้ย พระเจ้าเทนนี้เสียใจมากนะกลับมาจากว่าราชการโอ้ทำไมใครนอใจร้ายใจร้ายฆ่าคนในวังต้องเป็นคนในแน่เลยแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครแน่นอนจึงประกาศออกมาว่าใครหนอนะช่างรู้จิตรู้ใจของเราซึ่งเป็นกษัตริยนะ์เราก็คิดจะฆ่าอยู่แล้วนะ รู้ใจจริงๆนะข้าจะกระทั่งเราไม่ต้องมาลงไม้ลงมือเลยนะจะปูนบาเหน็จอย่างงามให้ใครที่ข้าเนะี่ยโอ้แสดงว่าเป็นพวกเดียวกับเราเลยรู้ไม่กระทั่งว่าเราคิดอะไรนางมาคณิยารีบเสนอตัวเองเลยนะหนูเองค่า <c oughs> จเจ้ารางวัล <c oughs> แหลมหน้าเลย <c oughs> เป็นไงทีนี้ <c oughs> พระเจ้าเท่นก็นเลยสั่งทหารจับแล้วก็รีดเลยว่ามีใครบั่งที่ร่วมกันในครั้งนั้นนะจับทั้งหมดแล้วก็เอาฝังดิน <c oughs> โปรโคอเอาวไว้แล้วก็เอาไม้สมจุดไฟเผาเลยตายทั้งเป็ น, นดูนะเรื่องในสมัยพุทธกาล จริงหรือโกหกไม่รู้หรอกแต่มาเคยอ่านพบมาในพระไตรปิฎกนั่นแหละในหมวดของเถรีเถรีที่มีการบรรลุธรรมกันเป็นกัน้นเป็นตอนบางคนก็บ้าผู้หญิงนะต้องบ้าก่อนถึงจะบรรลุธรรมบุพกรรมต้องพาไปแบบนั้นทุกข์สุดๆแล้วก็ถึงนะมาเจอพระองค์แล้วฟังธรรมแล้วก็บรรลุธรรมลูกตายสามตีตายอย่างเงี้ยนะ มีลูกสองคนลูกสองคนก็นตายสะมีก็ตายพ่อแม่ก็ตายพี่ชายก็ตายไม่มีใครเหลือมั เ, เป็นเรื่องที่ต้องเห็นทุกข์ก่อนอย่างนางอะไรล่ะเกสาศก็ตมีอันนี้ลูกตายก็เดินเดินเดินเดินเดินเดินใครช่วยได้ใครช่วยได้ ไ, ดไปหาผู้ตรงคิดว่าช่วยได้ผู้ตรงก็เลยชี้ว่าไปหามาเลยประกาศจากบ้านที่ไม่มีคนตายมา ก็เดินไปหาไม่มีบ้านไหนเลยไม่ตายสักคนก็เลยรู้แล้วเออลูกเราก็เหมือนกับคนอื่นนั่นแหละทำใจได้ตองหลังก็บวนกบลุนภารังหันอย่างนีน้หลังจากอุมศพเขียวจนช้ำจนเน่าเดินหาไร้ปา ก, กาศของเราก็ไม่ต้องรอให้ให้เป็นอย่างนั้นวันนี้เราก็มาวัดป่าสุขโขทตมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะวิชากรรมฐาน น, นี้ก็เปิดเผยกันเลย เมื่อก่อนก็ปกปกปิดปิดกันจะไปหาพระแต่ละรูปแต่ะรูปต้องเข้าป่าต้องมีฤทธิ์มีเดชเดชพอสมควรผู้หญิงก็ไม่เคยมีใครหลอกเข้าวัดสมัยก่อนมีแต่ผู้ชายมีแต่ผู้ชายยังหมหยพระโต้งง์เหนียวจะเข้าเฝ้าเนี่ยยากเย็นแสนเกนงอย่างมีพรามจะเข้าเฝ้าต้องให้เมียอยู่บ้านพรามมณีอยู่บ้านพรา ม, าาม์ผู้ชาย ก็ไปเข้าเฝ้าพระองค์อย่างเงี้ยอันนี้ของเราก็เปิดโอกาสกันเต็มที่แต่ว่าใครจะเกิดศรัทธาความเชื่อลงมือกระทาลงไปอั น, นเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนตัวของเราไม่ว่าจะมาด้วยธีการไหนก็ตามแปลนปลูกป่าก็มาเคลื่อนมือรู้สึกตัวอย่างเงี้ยคนัมาทําสังฆทานก็มาเคลื่อนมือรู้สึกตัวจริงจริงก็บอกไปเถอะนะส่วนก็จะทำํไทำไปทําข้างหนึ่งได้ยินก็ได้ยินนะยุคนี้มันยุคที่ตีคองร้องเป่าอยู่แล้วนะ มันไม่ใช่ยกที่เข็นธรรมจักรเหมือนสมัยพุทธาการนะเป็นยุคที่ต้องตีค้องร้องเป่านำเสนอข้อมูลนะเรียก ว, ว่าเดลกเซลก็ไดนะ้นำเสนอไปก่อนส่วนใครจะทำไม่ทำไม่เป็นแล้เดี๋ยวถึงเวลานึงมันแก่มันเจ็บมันตายมันก็คิดถึงเองนะเหมือนกับเคยได้ยินมาแล้วอย่างงี้นะว่าเออมันมีช่องออกทางเนี้ยนะพอวันหนึ่งมันก็ระลึกได้ เคยได้ยินได้ฟังมาว่าอย่างเงี้ยมันก็จะลองทำตัวเคลื่อนมือรู้สึกตัวพลิกความพลิกหงายรู้สึกตัวอย่างเงี้ยความรู้สึกตัวเดินจงกรมรู้สึกตัวมันเลยได้เลยมันจะเป็นการเริ่มต้นที่จะต้องเรียนรู้เพื่อการเข้าถึงเผลอเกิดเรียกว่ามรรคผลนิพานเป็นการเดินทางเป็นการเดินทางเบื้องต้นเป็นการเดินทางทางจิตมันเดินยังไงก็ต้องเดินที่ความรู้สึกที่ฐานกายก่อน ตรงทิศตรงทางตรงประเด็นเลยมีกายอยู่ตัวชีวิตเราเป็นมนุษย์มีกายมีใจแต่ส่วนใหญ่ใจมันชอบไหลแวบไหลแวบเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็ลืมเ ด, ลเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็ไหลไปอดีตบา ง, งาคตบางตอนนี้ก็มาปัจจุบันฝึกมันอย่างนี้แหล ะ, ะก็จึงมีเหตุว่าทำไมต้องเคลื่อนไหวแล้วก็ต้องให้รู้เป็นปัจจุบันปัจจุบันนั่นแหละมันคือของจริง อดีนาค่ไม่จริงหรอกะยิงไปวันนี้กขาต้องสัมผัสรู้สึกว่ามันจริงกว่าจริงอีกใครบอกเขาไม่รู้สึกตัวใครบอกเขาไม่มีสติเขาเหลืองเขาแล้วแต่เราก็รู้ว่าเรารับรู้ความรู้สึกตัวมีสติเราลึกรู้ความรู้สึกตัวแล้วก็ใจสบายที่เคยคิดไปมีปัญหาพอมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้มีปัญหามันก็เลยผ่อนผ่อนคลา ย, ลา ย, ลายาได้พักจิตพักใจของเราเพราะฉะนั้นการมาวัดเนี่ยนะ จริงๆแล้วโดยส่วนตัวหรือก็จะเหมือนกับคนอื่นคนอื่นก็อยาเหมือนกับผมแลื่องธมาก็คือเราก็แย่มาเป่วยๆป่วยจิตป่วยใจกันมาเราหกละเหื้องเล่รล่อนกันมาทางจิตใจนะทุกใจแล้วเข้าวัดมาวัดจิตวัดใจของเราว่าเออมันไม่ปกติมากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยมันทุกแค่ไหนน้ำหนักเท่าไหร่หนึ่งสองสามส้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสอร์เท่าไหร่ะะแล้วเรามาเข้าวัดเข้าวากัน ค่นี้ทุกมันลดไปเท่าไหร่เงีนะ้ย19 8 7 6 5 4 3 2หรือเท่าไหร่วัดดนะูมันเบาหรื อ, อยังมันปกติหรื อ, อยัง 0.00 ว่างจ า, จากความหมายความเป็นตัวตนหรื อ, อยังเราก็รู้เรานี่แหลนะหลังจากที่เราค่อยๆนะเรียกว่ารักษาเยียวยานะจนทํามันฟื้นฟูขึ้นมาเห็นไหมฟื้นฟูกันนี่พอจะมีเรี่ยวมีแรง เราก็มีกำลังใจแหะอยู่ที่นี่เออไม่จนใจมีกำลังใจก็ต้องไปบอกกันต่อแบ่งปันกันชี้ทางกันเราก็ไม่ต้องเชื่อไม่ต้องปฏิเสธก็ลองทำดูเวลามันมันก็ว่าคิดไม่ไม่ตกหรือว่ายิ่งคิดยิ่งดินงยิ่งรัดเวลาแก้ปัญหาเราสังเกตยิ่งคิดยิ่งดิ่งยิ่งรัดปวดหัวตายปัญหาไม่ได้ถูกแก้ไ้ไหน ลองมารู้สึกตัวก่อนเนี่ยมันจะผ่อนคลายเนหะมืนก็ว่าเออมันเป็นทางออกที่พ่อก็ไม่ได้บอกแม่ก็ไม่ได้บอกปลาก็ไม่ค่ยสอนกันแต่คําพูดพวกนี้เดี๋ยวนี้มันก็แพร่หลายนะหลายที่หลายทางก็บอกเออการฝึกสตินะให้กลับมาดูที่ฐานกายบางที่บอกให้ดูที่เวทนาอย่างคุยก้านี่ดูที่เวทนานะบางทีก็ดูทห้ฐานจิตอย่างอาจารย์ปลาหมดไว้ดูจิตดูจิตดูจิต แตเดืนนี้คนหลงทางกันท่านก็บอกให้มาดูกายดูกายดูกายแล้วก็เชียร์ให้มาวัดป่าสุกโตอย่างเงี้ยหลายคนเลยบอกเออสองสถานที่นี่เชียร์ซึ่งกันและกันว่ากั้นบางที่ก็บอกเออดูที่ฐานทำเลยเห็นสักว่าเห็นเลยเวลาเห็นไม่ต้องปรุงเวลาได้ยินไม่ต้องปรุงได้ยินเฉยๆไปเลยถ้าทําได้ก็ทําไปบางที่ก็บอกไม่ต้องทำอะไรหรอกนิพานมีอยู่แล้ว ยิ่งทำยิ่งไม่ได้ถ้าทําเป็นล้าหนะ้าของทำมัตตันหาอย่างเงี้ยจริงๆแย้งให้เหลยไม่ใช่หรอกไม่ใช่ทำมัตตันหาเนะีนะั่นคือฉันทะเรามีความพอใจที่จะทําดีไม่ไหลไปสู่ฝ่ายเสื่อมไอ้เรียกว่าฉันทะไม่อยากตันหาตันหาเนี่ยมันเป็นฝ่ายเสื่อมฝ่ายเจริญเนี่ยเป็นฉันทะนะนะเราก็จึงไม่นะเหมือนกระสวนเปล่ามาวัดเปล่าสุกโต ย่อยน้อยก็ได้ยินได้ฟังลองได้ทําลงไปอาทเช่นบริษัทแปลนตอนนี้ทุกคนที่มาลองนะเอามือซ้ายมือขวาไว้ที่หัวเขา่าแถมให้เป็นภาคปฏิบัติการนิดหนึง่งคนที่เกยปฏิบัติหรือไม่เก๋ิปฏิบัตินะเราก็ตกกระไดไปกระโจนไปเลยในขณะนี้จะบอกให้มือซ้ายมือขวาวางไว้ที่หัวเข่านะปลิกมือขวาตั้งรู้สึกตัวยกขึ้นไปรู้สึกตัว วางที่สะดือรู้สึกตัวปริบมือซ้ายตั้งรู้สึกตัวยกขึ้นไปรู้สึกตัวทับหลังมือขวารู้สึกตัวมือขวาเคลื่อนมาที่อกรู้สึกตัวเคลื่อนออกไปรู้สึกตัววางตั้งไว้ที่เขารู้สึกตัวความลงรู้สึกตัวมือซ้ายเคลื่อนมาที่อกรู้สึกตัวออกไปรู้สึกตัววางตั้งไว้ที่เขารู้สึกตัวความลง รู้สึกตัวให้มีสตินะเราลึกรู้ความรู้สึกตัวแล้วก็อย่านี้นนะพอมันมีสติเราลึกรูก้ความรู้สึกตัวใจมันจะสบายสบายนะทุกครั้งที่มีสติรู้ตัวเองใจสบายเลยหลุดเลยมันไม่เด็ดไปอดี๋ไม่ได้ไปอนาคตเลยนะมันรู้อยู่กับปัจจุบันหลังนะ จ, จากนั้นจะขยายผลเองรูนะ้หนะยาบหยาบก็ต้องสัมผัสตอนหลังละเอียดลงไปละเอียดลงไปรู้ ก, การเดินนะ รูเวลาเสื้อผ้ามากระทบที่ตัวเองพัดลมมากระทบผมคอเคลีย์กระทบสัมผัสอย่างเง้ยนะกระพริบตาหายใจโอ้มันก็เอียดลงไปละเอียจนความคิดซึมันละเอียดมากนะมันจะเฮ้ยรู้สึกนียรู้สึกเนี ย, นยอย่างเงี้ยอันนั้นได้ประโยชน์สูงสุดเลยเราไม่เคยรู้ทันความคิดเรามันเริ่มรู้ทันเลยอนยะ่างเงี้ยมันเริ่มรู้จากหยาไปหาละเอียดแล้วเห็นความคิดแลยโอ้สุดยอดเลย ก็จะเป็นชีวิตที่เหมือนกับถ่ยถอนออกมาจากความเป็นทาตความคิดอันนี้หยิบความคิดมาใช้ให้คุ้มเชียวนะเกิดคุณเกิดค่ามากมายเหลือเกินนะแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่ยมีสติรู้ทันความคิดความคิดเลยมีอิทธิพลมาใช้เรามันก็ค่าคุณนะไม่ค่าตัวเองก็ค่าคนอื่นละเบียดเบียนคนอื่นทางกายว่าใจอย่างนี้นะเราก็จึงทําดีให้ถึงดีทดําดีถูกกาลเทศนะทําดีให้ถูกคน ทำดีแล้วก็ไม่ต้องติดดีทำดีทั้งวันแต่มืนไม่ได้ทำอะไรทำแล้วก็แล้วไปนะตรงนี้เป็นเรื่องของการมีสติแล้วก็ทำดีลงไปนะจนกระทั่งเหมือนกัว่าเกิดสนันติสุขสานิพัทผู้ให้มีความสุ ข, ขผู้รับแน่นอนโนะดยว่าการให้ธรรมะเป็นทานนะตรงนี้นะ่อาอร่าเย็นนี้เห็นว่าสมควรเี่ยวลาเรากราบพระพร้อมกัน